2.6. ชาวพุทธวางแผนด้วยใจที่เป็นอิสระจากกิเลสวงเล็บเปิด 19. ามกราคม2 5 5 0ในวงเล็บสองจุดจุดนาที 21. วงเล็บปิดขณะปัจจุบันจิตมันทำาอรไรเราก็รู้ทันมันไปเรื่อยๆเช่นขณะปัจจุบันนี้จิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่คำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้ปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าไม่คิด ถ้าจิตกำลังคิดอยู่ก็รู้ว่ากำลังคิดอยู่ถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตกำลังคิดจิตจะเลิกคิดความคิดจะดับทันทีเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปดัดแปลงจิตท่านสอนให้เรารู้รูปนามตามความเป็นจริงอย่างจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดจิตต้องรู้สึกนึกคิดห้ามไม่ได้นะพอจิตคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราก็รู้ทัน และถ้าจิตระไวยขึ้นสติระไวยขึ้นเราจะเห็นตั้งแต่จิตเริ่มคิดจิตไหลไปในโลกของความคิดปับ๊บเราก็รู้สึกเลยจะไม่มีเรื่องราวที่คิดนะความคิดนั้นจะดับลงไปเลย